สิกขาบทที่6เรื่องพระชัพคี5 8าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุทธชพาพคีขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างนั่งในละแวกบ้านพระบัญญัติ 6. พึงททำความสำเนียกว่าเราจะสำรวมดีนั่งในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพัง